เป็นที่รู้กันนะว่าตอนนี้เนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งนะของคนไทยลองลงมาก็ราหัสใจอันดับสามก็โรคหลอดเลือดสมองหมายาว่าเส้นเลือดในสมองตีบตบ้างแตกบ้างซึ่งทำให้เกิดความตายได้ถ้าไม่ตายก็เป็นอมัอมพอาต เห็นได้โดยทั่วไปมากขึ้นคนที่เรารู้จักบางทีก็เป็นพ่อแม่หรือเพื่อนญาผู้ใหญ่ที่เป็นอัมพฤกษ์อัมภ า, าพเพราะโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าเส้นเลือดในสมองตีบแตกนี่อันนี้เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ผู้คนนะมีร่วมกันในต่างประเทศนี่นก็เหมือนกันนะโดวยพาะประเทศที่ มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าเนี่ยการกินการบริโภคเนี่ยมีส่วนมากนะที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองเช่นกินน้ำตาลกินไขมันเยอะกินเนื้อสัตว์มากก็ทำให้มีหลอดเลือดอุดตันเพราะไขมันเสร็จแล้วก็พอเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยเพราะ หลอดเลือดมันตีบหรือเกิดแตกขึ้นมาอันนี้ยุ่งเลยแต่มันมีข่าวล่าสุดนะเมื่อไม่นานมานี้เองนะว่าสาเหตุสำคัญอิประการนี้ที่ทำให้คนเป็นโรคหลอดเลือดสมองกันมากเนี่ยจนถึงกับเอามาพึ่งามาพาแล้วก็ตายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารเท่านั้นนะ ตัวการสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือมลภาวะในอากาศมลภาวะในอากาศเนี่ยหมายถึงว่าการที่มันเกิดนะมีสารพิษขึ้นมาปะปบบนอยู่ในอากาศไม่ว่าจะเป็นพวกไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวมแม้กระทั่งคาร์บอนไดออกไซด์หรือ ที่เราพูดถึงกันมากคือ PM สองจุดห้าพวกนี้เนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้คนเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยเป็นอมัมพฤกอมามพาตแล้วก็ล้มตายเพราะว่าเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกนี่เป็นข้อมูลใหม่นะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการสรุปแบบลวกๆง่ายๆนะเพราะว่าเขาศึกษาจาก งานวิจัยเนี่ยเป็นร้อยร้อยชิ้นเลยนะร้อยสิบชิ้นได้ครอบคุณปรอบคุลประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็ศึกษากับคนถึงสิบแปดล้านคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองไม่น้อยเลยนะสิบแปดล้านคนเนี่ยแล้วเพราะว่าความเจ็บป่วยหรือความตายเนี่ยเพราะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันสัมพันธ์กับมลภาวะมาก อย่างเช่เพราะว่าเนี่ยที่ไหนที่มันมีมลภาวะที่ร้อนในตัวเจนไดออกไซด์มากเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยแล้วก็ตายเพราะโรคหลอดเลือดสมองสาสิบเปอร์เซ็นภายในเวลาห้าวันห้าวันนี่ก็ไม่นานนะหมายความว่าถ้าเจอมลภาวะแบบนี้เนี่ยต่อเนื่อกันห้าวันเนี่ยมีโอกาสที่จะตายเพราะโรคหลอดเลือดสมอง พอเลือดมันตีบหรือมันแตกนี่ในตัวเจนไดออกไซด์นะถ้าเป็นซัลเฟอร์ไดออไซด์นี่ก็น้อยลงหน่อยนิดหน่อยนะแต่ก็ป่วยและตายเหมือนกันแล้วทำไมเนี่ยพวกมลภาวะพวกนี้มันทำให้เกิดโรคที่วานี่ถึงตายได้เพราะว่าไอสารสารพิษเล็กๆเนี่ยนะ มันลอดผ่านจมูกของเราเนี่ยเข้าไปสู่ปอดหรือเข้าไปสู่อวัยวังต่างๆในร่างกายมันก็ทําให้เกิดการอักเสบเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมันไม่ยอมมันจับได้มันก็ต่อสู้นะทําให้เกิดการอักเสบพออักเสบเข้าหลอดเลือดมันก็จะหดตัวเป็นปฏิกิริยาที่จะสู้กับพวกมลพิษที่เข้าไปในร่างกายพอหลอดเลือดมันหดตัวนะอันนี้เดือดร้อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นร้อยเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองก็หมายความว่าถ้าเป็ น, นหนักๆก็เอามาเพลิดเอาม า, า้วก็ตายเราะฉะนั้นมลาภาวะนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะตอนนี้เนี่ยเพราะเพราะว่ามันไม่ใช่มีผลต่อปอดอย่างเดียวไม่ใช่มีผลต่อตาละกไข่เครื่ อ, องเดียวนะมีผลต่อหัวใจและสมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะ เพราะนั้นเนี่ยมลภาวะนี่มันน่ากลัวกว่าที่เราคิดนะก่อนหน้านี้เขาพบว่าเพียอสองจุดห้า 5. 5. นี่ถ้าเป็นมะเร็งปอดแม้จะไม่สูบบุหรี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้เอาไว้นะเพราะว่าเราต้องสัมผัสกับมลภาวะเนี่ยมากขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆเดีย๋ยวนี้แม้ท่านชลธิบทนี่หรือต่างจังหวัดนี่ก็เจอปัญหานี้หนักนะอย่างเชียงใหม่เนี่ยพอถึงมีนาถึงมีนานเนาะ ไม่ต้องเมษาเนี่ยคนก็อบพยพกันละถ้าอบพยบได้เพราะมลภาวะเยอะมากควันจากการเผาไหม้แต่จริงมันไม่ใช่ว่าเผาไหม้พืชเกษตรอ่าพืชพันธุ์เช่นอ้อยเท่านั้นนะการเผาไหม้น้ำมันที่ใช้ขับขี่ยวดยานนี้ก็ไม่เบาเลยอันนี้ก็สิ่งที่เราต้องรู้ไว้แล้วก็ ไม่ใช่แค่รู้แล้วทาแจงเดียวนะก็ควรจะทําอะไรอย่างอื่นด้วย mm hmm. เช่นปลูกต้นไมก้กให้มากขึ้นนะในหมู่บ้านของเราในพื้นที่ของเราปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้มันก็ช่วยปกป้องกันกรองมลพิษจากอากาศได้แล้วก็มีคุณประโยชน์หลายอย่างแต่ทำคนเดียวไม่พอนะควรจะชักชวนคนอื่นให้ทําด้วยเพราะเรื่องนี้มันเรื่องที่ต้องร่วมกันทำํำนะ ัชวนแม้กระทั่งหน่วยราชการหน่วยเอกชนที่มีหน้าที่ในเรื่องนี้ให้ปลูกต้นไม้เยอะๆรวมทั้งมีมาตรการอย่างอื่นเพื่อที่จะลดการทำลายป่ารวมทั้งมาตรการในการที่จะลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่เป็นถ่านหินและน้ำมันนะเพราะพวกนี้นี่มันก็ทำให้เกิดมดลพิษนะกระจายไปทั่วแถมยังทำให้เกิดโลกร้อนอย่นะ เพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่มันก็ทำให้โลกร้อนซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งนะไอ้มลภาวะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วแถมยังเจอเรื่องโลกร้อนอยูแม้เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องนะไม่ควรนิ่งดูได้นอกจากดูแลตืวองให้ดีแล้วก็ต้องช่วยเหลือส่วนรวมโดยการผลักดันให้มันมีนโยบายมาตรการที่ช่วยลดมลภาวะแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วย แล้วบางทีอาจต้องถึงขั้นนะผลักตันให้รัฐบาลนี่มีนโยบายนะที่ช่วยลดปัญหามลภาวะแล้วก็ลดปัญหาโรคร้อนเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยมันมีเด็กนะอายุสบอขวบกับเพื่อนเพื่ อ, น เ, อนเนี่ยซึ่งก็เป็นวัยรุ่นนะยี่สิบยี่สิบสี่อายุนสิบดขวบถึงยี่สิบสี่ปีหกคนนะในโปรตุเกส ทำเรื่องฟ้องนะฟ้องรัฐบาลสาสิบสองประเทศในสหภาพยุโรปเ <c oughs> พราะโปรตุเกสเนี่ยเป็นหนึ่งในเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเด็กและ ว, วัยรุ่นหกคนเนี่ยฟ้องเลยนะฟ้องข้อหาเลยนะข้อหาว่าละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเยาวชนและประชาชนทั้งทั้งทวี ภาวสิทธิขั้นพื้นฐานคือสิทธิในการมีสุขภาพดีสุดทีในการมีชีวิตนะเาบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยในสภาพยุโรปเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องอดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีแต่ไม่ได้ทำละเลยนะไม่มีมาตรการในการที่จะช่วยลดโลกร้อนที่เพียงพอและแถม ไม่ได้จริงจังในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรัฐบาลในสหภาพยุโรปเนี่ยตกลงในสัญญาว่าเนี่ยจะลดให้ได้นะเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยไม่สูงถึงไม่เพิ่มขึ้นถึงองศาภายในปี2030นะก็คือ7ปีข้างหน้าแต่รัฐบาลไม่ได้ทำเลยทั้ง3าประเทศ แล้วเขาบอกเนี่ยเขาเดือดร้อนมากนะเพราะว่าโปรตุเกสเนี่ยมีไฟไหม้ป่าทุกปีเลยตั้งแต่ปีสองหกหกศูนย์เนี่ยมันไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนและที่เป็นนี้เพราะอะไรเพราะโลกร้อนนะแล้วรัฐบาลโปรตุเกสรัฐบาลในสภาคยุโรปไม่ทําอะไรจริงจังเท่าไหร่ฟ้องเลยนะพบอกว่าสารลรับฟ้องนะของสภาของสภาคยุโรปรับฟ้องเนี่ยว่าเด็กเขาก็เล็กเด็กยาวชนกลุ่มนี้เขาก็ใจถึงนะ ล้วคิดคิดใหญ่เลยนะว่าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันต้องอทำคนเดียวไม่พอหรือช่วยกันทางนี้ไม่พอรัฐบาลต้องขยับต้องขยืนเรื่องนี้และถ้ารัฐบาลไม่ขยับไม่ขยืนก็ต้องถูกฟ้อง เ, เพิร์สหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็มีกฎบัตรนาะที่อนุ ญ, ญาตให้ประชาชนเนี่ยฟ้องได้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลนะละเมิดสิทธิทมนชนของประชาชน แล้วก็เด็กละวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ถือว่าเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเขาเลยที่รัฐบาลละเมิดนะอันนี้ก็เป็นนะแบบอย่างนะของคนที่เขาไม่ยอมนิ่งดูดายหรื่องที่เราก็เคยรู้นะเกรตาทุนเบิร์กเนี่ยก็เคยประท้วงรัฐบาลสวีเดนไม่ไปเรียนหนังสือหยุดเรียนนะมานั่งประท้วงอยู่ที่หน้ารัฐสภาเมื่อหลายปีก่อนจนกระทั่งเกิดกระแสะเกิดขบวนการ พี่ผลักดันให้รัฐบาลทั่วโลกเลยนะต้องมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะสวิตเซนดอย่างเดียวของยต้องช่วยกันทำนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นความตายเลยเมียของเราอย่างเดียนะของลูกของหลานของเราของเยาวชนในอนาคตมลภาวะก็ดีโลกร้อนก็ดีนี่มันเป็นวิกฤตครั้งสำคัญเลยนะที่โลกไม่เคยเจอแต่ว่ากาลังจะ เจอหนักขึ้นเรื่อยๆนะน้ําท่วมก็ดีคลื่นความร้อนไฟป่าที่โหมกระนหน่าดูดยังไม่ไม่ได้ก็ดีรวมทั้งต่อไปกับน้ําท่วมอีกแล้วก็โรคระบาดโอ้มันจะมากันเป็นขบวนเลยนะเพราะฉะนะั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าทําใจอย่างเดียวแล้วพอทําใจไม่ให้ทุกเนี่ยไม่หวหิตกกังวลดีแล้วแต่ต้องทํากิจนะเพื่อทําให้ปัญหามันทุเลาเบาบ า, บางไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวแต่เพื่อส่วนรวมด้วย